ที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนได้วความเคารพอย่างสูงว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่านเท่ากับชีวิตของท่านเองไม่ยอมสยบต่อคุณนางกังฉินดูแลความทุกข์สุขของรอัษฎรและคุณนางใหญ่น้อยอย่างไม่โกรธตายถ้ามีการช่อราชบางหลวง มีการอาศัยหน้าที่หรืออิทธิพลก่อกรรมทําเข็นกับชาวบ้านหรือคุณนางผู้น้อยแล้วสายแม้ผู้นั้นจะเป็นคุณนางผู้ใหญ่เป็นที่โปรดปรานของห้องเต้สักเพียงไรก็าตามท่านก็ไม่เกรงกลัวเป็นต้องนําหลักฐานทูลกล้าวถวายห้องเต้ให้ได้รับโธสานุทโทษจงได้เมื่อท่า น, นสิ้นอายุไขแล้ว จึงได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาเป็นจิ้งเซียนกลงหมายถึงพุทิกราบทูลวยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพ่ออ่านชีวประวัติอันเกลิอเกียิของท่านแล้วประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดี ง, งามที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อป้องกันการชำระความของพ่อไม่ให้ด่างพร้อย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 ไม่มีโอกาสสัมผัสกับคนจนเหมือนแต่กก่อนความดีหนึ่งหมื่นครั้งเมื่อใดจะทำสำเร็จได้แล้วพ่อก็ได้แต่รับฟันในคืนวันนั้นนะจะว่าบาังเอิญหรือไม่เนาะพ่อฝันเห็นเจ้าราองค์หนึ่งพอจึงปรับทุกข์กับท่านถึงเรื่องที่แม่เจ้าวิต ก, กังวลท่านบอกกับพ่อว่า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 ทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักปราชญ์โบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้แต่ใครยังเชื่อว่าสุขทุกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วใสยแม้ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเปรืองอย่างใดเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่หาความก้าวหน้าไม่ได้เลย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 และกาลังถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นลูกจะต้องหาความผิดพลาดของตนเองให้พบและแก้ไขให้เด้ทันท่วงทีมิฉะนั้นแล้วลูกจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เป็นการเสียชาติเกิดคำสั่งสอนของท่านอินทกุเทระนั้นช่างลึกล้ำตรงตามสภาวธรรมและเป็นความจริงทุกประการ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 เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์โจหรือจิวก่อนคริสต์ ศ, ศักราชพ1นหรหรือ771หรือก่อนพุทธ ศ, ศักราช579ถึง228เสื่อมถอยหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างแข็งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจคนจีนในยุคนี้เสื่อมทามโหดเทียมมาก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 ลูกจะไม่กลัวได้เลยไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่บ้านของเราเองในที่เราโหฐานก็ตามก็ห น, นี้ไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงใด จะปกปิดผีสางเทวดาหาได้ไหมเพราะแม้จะในตัวลูกมีไส้กี่ขดท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุโปร่ปงอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้เห็นเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกจะยังไม่กลัวอีกเหรอไม่เพียงเท่านั้นหากลูกยังไม่ลมหายใจอยู่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 หรือว่าจุติจิตในปฏิสนธิในสุขติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุกติภพยังบุญวิตและเมื่อเขาได้ไปสู่สุขติภพเสียก่อนแล้วจิตจร้จักผิดชอบชั่วดีในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ยอมเป็นปัใจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดี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 ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ลูกเองความผิดถูกความดีชั่วล้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกันเมื่อรู้ว่าผิดรีบแก้ไขเสียความถูกก็จะกลับคืนมาเมื่อทาความดีอยู่ความชั่วไหนเลยจะมากล้ากลายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดียวกล้าหาญของลูกเองเท่านั้นจงจำไว้ เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อการกระทําผิดและมีความกล้าหาญเด็ดเดียวที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วใส่ความผิดนั้นก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุดสายน้ําที่รวมตัวกลายเป็นน้ําแข็งในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมละลายกลายเป็นน้ําดังเดิม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 คือต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อนเช่นการฆ่าสัตว์จะเราเข้าใจเสีย ก, ก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักจะไนั้นจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวล่ะแต่มีใครทำกว่าเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมอนะหนึง่งการฆ่าสัตว์นั้นทาให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส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 เพความอิ่มเพียงชั่วยอย่างแต่ต้องทำลายบุญที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงและเพิ่มบาปให้มากขึ้น เ, เรื่อยๆชีวิตที่ประกอบก้นด้วยเลือดเนื้อนั้นย่อมไม่วิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำให้สัตว์เหล่านั้นมารักนับถือเราไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราก็อย่าสร้างความขีดแค้นชิงชัง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 โรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่นคอยสำรวจตนเองว่าได้ล่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่มีคนล่วงเกินตนก็จะถามตนเองซึงก่อนว่าได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองซสีก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เราวาคิดเส้นนี้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 หลงกินใบหม่อนไปดิ้นไปยิ่งกระดุกกระเดกมากเท่าไรใยญ่ไหมก็ยิ่งผูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีคนไม่แต่ลูกสามารถใช้เหตุผลคล้ครวนดูแลทุกสิ่งก็จะไม่น่าโกรธความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกอีกเลยวิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พูดไปแล้ว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 จึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ปุดผองได้อย่างแท้จริงเพียงเกิดความรู้สึกว่าจะทำผิดก็รู้สึกตัวสะก่อนแล้วโดวยสติสัมปชัญญะความผิดจึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการยับยั้งชั่งใจที่ต้องอบรมบม่มเพาะให้สติประคองใจเราไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกจะต้องใช้วิจารณญาณให้ถูกต้องว่า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 ครั้งเมื่อท่านอายุได้21ปีท่านก็รู้อีกว่าที่คิดว่าแก้ไขหมดแล้วนั้นที่แท้ยังไม่หมดจดดีครั้นเมื่อท่านอายุได้22ปีท่านก็ยังเห็นอีกว่ายังเหลือความผิดอะไรอยู่บ้างเช่นนี้ทุกปีมาจนเมื่อท่านอายุ50ปีก็ยังรู้ว่าเมื่อท่านอายุ49ปีนั้น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 นี่ก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามีแววไม่นั่นเอโลกจอสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏบุคลิกที่อาพัพให้เห็นได้ง่ายง่ายเช่นเป็นคนที่หลงคี่ลืมปวดหัวมึนงงง่วงเหงาหาวนอนแม้จะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีจิตใจที่งุดหงิดเศร้าซึมเลื่อนลอย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 ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้รั้งรออยู่เลย ข้อที่สามวิธีสร้างความดีลูกจะต้องอ่านคำพีอี้จิงให้เข้าใจอย่างทะลุปรุกโลเพราะเป็นคำพีที่ดีมากเล่มหนึ่งเพียงหน้าแรกก็ให้กำลังใจแก่ผู้อ่านอย่างมหาศาล โดยกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่สั่งสมแต่ความดีไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวจะได้รับผลดีเท่า น, นั้นแม่ลูกหลานเหลนหลนก็ปร้อยได้เสวยผลแห่งความดีนั้นด้วยเพราะเหตุนี้ท่านตาของท่านองจือนักปราดอันเลื่องชื่อของจีนท่านจึงยกลูกสาวของท่านให้กับท่านพ่อของท่านองจือ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 เป็นปูชนียบุคคลที่หายากในโลกปูนหนึ่งคือท่านคงเจอไง ล, ลูกต่อมาท่านองเจอได้สันเสริญท่านตีสุนที่พอได้กลาให้ลูกฟังไว้ทีหนึ่งแล้วว่าท่านตีสุนเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่อย่างยอดเยี่ยมหาใครเปรียบได้ยากบรระชนของท่านตีสุนจะต้องยินดีปรีดาที่มีลูกหลานที่ดีช น, นี้มาเส้นไหวบูชา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 จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ลูกจะได้ศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและจดจำมาเป็สิ่งที่ดีงามเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของลูกเองมีคุณนองตำแหน่งพระอาจารย์ท่านหนึ่งมีหน้าที่ถวายพระอสกรห้องเตะไม่ยังทรงพระเยาว์ท่านผู้นี้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 ได้รับราชการเป็นขุนนางจนได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแก่หงเตเมื่อหงเตะทรงทราบทั้งคุณงามความดีของท่านทวดและท่านปูของพระอาจารย์ก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานยศขุนนางให้กับท่านทวดท่านปูและท่านพ่อของพระอาจารย์อีกด้วยเป็นการแสดงให้ปรากฏว่าการทำความดีงามนั้นย่อมได้รับสิ่งที่ดีงาม สมควรเป็นแบบอย่างแกบุคคลทั่วไปแม้ชีวิตหาไม่แล้วก็ตามอันหนึ่งลูกหลานของพระอาจารย์ก็ได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตตราบจนทุกวันนี้มากมาย